ณ บ, บัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงโอชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าผมเรื่องทางพ้นทุกข์และมรรคสามัคคี วันนี้ได้รับอนุญาตจากท่านอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสให้แสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งประชุมอยู่ณทีน่นี้ดังนั้นขอพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจให้ใหอยู่ในความสงบเพราะว่าการแสดงธรรมวันนี้มีความจำเป็นเกี่ยวกับภาษาจะต้องตั้งใจฟังล่ามที่จะแปลไปมิฉนั้นจะไม่เข้าใจ เมื่อได้มาพักอยู่ที่นี่อาตมารู้สึกมีความสบายใจเพราะว่าทั้งท่านอาจารย์ก็ดีทั้งสานุสิทธ์ก็ดีทำความพอใจหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสมกับเป็นผู้ได้ประพฤติปฏิบัติ ธ, ธรรมอันแท้จริงเมื่อได้มาเห็นสถานที่ซึ่งท่านอยู่อาศัยก็เลื่อมใสแต่บ้านหลังใหญ่นี้ใหญ่เลื้ออเกินคิดสงสารท่านเหมือนกัน ในการบูรณะสร้างที่อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไปอาตมาเคยลำบากมาแล้วเป็นอาจารย์มาหลายปีตั้งต้นสอนจริงๆ จ, จังๆมาประมาณเกือบ30สปีขณะนี้มีวัดสาขาน้อยใหญ่ที่ขึ้นต่อวัดหนองป่าพงประมาณสี่สิบแห่งแล้ว แต่ก็รู้สึกว่ามีสิทธสอนยากสอนลําบากเหลือเกินบางคนก็รู้แล้วไม่เอาใจใส่บางคนไม่รู้ก็ไม่เอาใจใส่เดี๋ยวนี้ก็เลยคิดอะไรไม่ค่อยจะออกไม่ทราบว่าทําไมจิตใจของมนุษย์จึงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้ก็ไม่ดีแต่บอกให้รู้แล้วก็ยังไม่รับเอาจะทําอย่างไรอีกต่อไปก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันเมื่อปฏิบัติไปก็มีแต่เรื่องสงสัยทั้งนั้นแหละสงสัยอยู่เรื่อย อยากจะไปแต่พระนิพพานแต่ไม่เดินไปตามทางอยากจะไปเฉยๆเท่านั้นมันวุ่นให้นั่งสมาธิก็กลัวมีแต่ความง่วงนอนสิ่งที่เราไม่สอนนั่นแหละชอบปฏิบัติฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมท่านอาจารย์จึงเรียนถามท่านว่าลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างไรท่านตอบว่าเหมือนกันนี่ก็เป็นความยุ่งยากอันหนึ่งเป็นปัญหาอันหนึ่งของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยลูกศิษย์ ธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้เป็นธรรมะที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบันในเวลาที่เราเกิดมาในชาตินี้ในวันนี้เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทบางกลุ่มผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเคยพูดว่าฉันมีธุระมากเกี่ยวกับการงานไม่มีโอกาสที่จะทำความเพียรจะให้ฉันทำอย่างไรอาตมาตอบว่า โยมทำงานนั้นโยมหายใจหรือเปล่าเขาตอบว่าหายใจอยู่ทำไมโยมมีโอกาสหายใจเมื่อโยมทำงานอยู่เขาก็ไม่พูดโยมมีสติอยู่เท่านั้นแหละก็มีเวลามากเหลือเกินที่จะทำความเพียรที่จะทำกรรมฐานเหมือนกับลมหายใจเข้าออกเราทำงานอยู่ก็หายใจอยู่นอนอยู่ก็หายใจอยู่นั่งก็หายใจอยู่ทำไมมันมีโอกาสหายใจอย่างนั้น ถ้าเรามีความรู้สึกถึงความมีชีวิตของเรากับลมหายใจนั้นมันก็ต้องมีเวลาอยู่ตลอดการใครเคยมีความทุกข์ไหมใครเคยมีความสุขไหมคิดดูสิเคยมีไหมนั่นแหละที่ธรรมะเกิดที่ตรงนี้ที่ปฏิบัติธรรมะก็อยู่ที่ตรงนี้ใครเป็นสุข ใจมันเป็นสุขใครเป็นทุกข์ใจมันเป็นทุกข์มันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นกายและใจสองอย่างนี้รวมมีเอามาแล้วทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติมีอยู่แล้วมีกายมีใจเท่านั้นพอแล้วทุกคนที่นั่งรวมกันอยู่นี้เคยมีความสุขไหมเคยมีความทุกข์ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรนี่คือปัญหาแล้ว ปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาล่ะถ้าเรารู้จักทุกขรู้จักเหตุของทุกรู้จักความดับทุกรู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกมันก็แก้ปัญหาได้นี่คือทุกทุกธรรมดาอย่างหนึ่งทุกที่เหนือธรรมดาอย่างหนึ่งทุกประจําสังขารนี้ยืนก็เป็นทุกนั่งก็เป็นทุก นอนก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นทุกข์ธรรมดาทุกข์ประจําสังขารพระพุทธเจ้าท่านก็มีเวทนาอย่างนี้มีสุขอย่างนี้มีทุกข์อย่างนี้แต่ท่านก็รู้จักว่าอันนี้เป็นธรมธรมดาสุขทุกข์ธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้ท่านระงับมันได้เพราะท่านรู้จักเรื่องของมันรู้จักทุกข์ธรรมดามันเป็นของมันอย่างนั้นไม่รุนแรง ท่านให้ระวังทุกที่มันจอดมาทุกที่เหนือธรรมดาเปรียบประหนึ่งว่าเราเป็นไข้เอายาไปฉีดฉีดเข้าไปในร่างกายเข็มฉีดยานั้นมันทะลุเข้าไปในเนื้อหนังเรารู้สึกเจ็บนิดหน่อยเป็นธรรมดาเมื่อถอนเข็มหมอกมาแล้วความเจ็บก็หายนี่เรียกว่าทุกธรรมดาไม่เป็นอะไรทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ ทุกที่ไม่ธรรมดานั้นคือทุกที่เรียกว่าอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้เปรียบประหนึ่งว่าเอาเข็มฉีดยาไปอาบยาพิษแล้วก็ฉีดเข้าไปนี่ไม่ใช่เจ็บธรรมดาแล้วไม่ใช่ทุกธรรมดาแล้วเจ็บจนตายทุกจนตายนี่เรียกว่าทุกเกิดจากอุปทานความเห็นผิดนี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่ง ไม่รู้จักอนิจจรความเปลี่ยนแปลงของสังขารสังขารมันเป็นวัตตะสงสารสังสารเรทุกขังทุกในสงสารมันเปลี่ยนเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนเราคิดผิดมันก็ทุกคิดถูกมันก็ทุกคนเกิดมาแล้วไม่เห็นสังขารอันนั้นเห็นสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่อยากให้สังขารเปลี่ยนแปลงไป พูดง่ายๆก็หมายความว่าเราหายใจเข้าออกออกไปแล้วก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราจึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเราให้มันออกไปไม่ให้มันเข้ามามันก็อยู่ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเช่นนั้นเรื่องของสังขารมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้จักเช่นมีสิ่งของและมันหายไปไม่อยากให้มันหายไป คิดว่ามันเป็นของเราไม่เห็นตามสังขารที่มันหมุนเวียนอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมาไม่เชื่อก็ลองดูสิหายใจออกหายใจเข้ามันสบายอยู่ได้ถ้าหายใจออกแล้วไม่เข้าหรือหายใจเข้าแล้วไม่ออกจะอยู่ได้ไหมสังขารมันเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเราเห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้น เห็นตามธรรมะเห็นเรื่องอนิจจ์ความเปลี่ยนแปลงเราอยู่ด้วยอนิจจงอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยเรียกว่าการปฏิบัติธรรมให้มีปัญญารู้ตามสังขารอย่างนั้นทุก็ไม่เกิดถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ขัดกับความรู้สึกของเราขัดต่อความรู้สึกก็ขัดต่อธรรมะความเป็นจริงของมันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นเราป่วยเข้าโรงพยาบาลคิดในใจไม่อยากตายอยากหายเท่านั้นคิดอย่างนั้นไม่ถูกเป็นทุกข์ต้องคิดว่าหายก็หายตายก็ตายเพราะเราแต่งไม่ได้นี่เป็นสังขารคิดอย่างนี้ถูกตายก็สบายหายก็สบายต้องได้อย่างหนึ่งจนได้เราคิดว่าจะต้องหายจะต้องไม่ตายอย่างนี้มันเรื่องของจิตของเรา ไม่รู้จักสังขารฉะนั้นเราก็ต้องคิดให้มันถูกว่าหายก็เอาไม่หายก็เอาตายก็เอาเป็นก็เอาถูกทั้งสองฐานสบายไม่ตกใจไม่ร้องไห้ไม่โศกเศร้าเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมองเห็นชัดธรรมะของท่านยังใม่เอี่ยมอยู่เสมอ ไม่ล้าสมัยไม่เปลี่ยนแปลงที่ไหนทุกวันนี้ยังมีความจริงอยู่ยังไม่เสื่อมยังเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ไปที่ไหนถ้าใครจะรับพิจารณาอย่างนั้นจะได้เกิดความสงบความสบายท่านให้อุบายว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้ไม่ใช่ของเราแต่เราฟังไม่ได้ไม่อยากฟังเพราะเราเข้าใจว่านี่เป็นตัวเราเป็นของเรา นี่แหละเป็นเหตุให้ทุกเกิดตรงนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เมื่อกลางวันนี้มีโยมคนหนึ่งมาถามปัญหาว่าเมื่อมันมีความโกรธขึ้นมาจะให้ดิฉันทำอย่างไรอาตมาบอกว่าเมื่อมันโกรธขึ้นให้เอานาฬิกามาหมุนต okay. ั ick, ้งไว้ บอกดันได้สองชั่วโมงให้โกรธมันหายนะลองดูถ้ามันเป็นเราบอกได้สองชั่วโมงก็หายโกรธแต่อันนี้ไม่ใช่เราสองชั่วโมงมันก็ยังไม่หายบางทีหนึ่งชั่วโมงมันก็หายแล้วจะไม่เอาโกรธมาเป็นเรามันก็ทุกข์สินี่ถ้าเป็นตัวเรามันต้องได้ตามปรารถนาอย่างนั้นถ้าไม่ได้ตามปรารถนาก็เป็นเรื่องโกหกเราอย่าไปเชื่อมันเลยมันจะดีใจก็อย่าไปเชื่อมัน จะเสียใจก็อย่าไปเชื่อมันมันจะรักอย่าไปเชื่อมันมันเกลียดก็อย่าไปเชื่อมันมันเรื่องโกหกทั้งนั้นให้คำตอบเขาอย่างนี้ใครเคยโกรธไหมเมื่อโกรธขึ้นมามันเป็นสุขหรือทุกข์ไหมถ้าเป็นทุกข์ทำไมไม่ทิ้งมันเอาไว้ทำไมนี่จะเข้าใจว่าเรารู้อย่างไรแล้ว จะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยมันโกรธเรากี่หนมาแล้วบางวันมันทำให้ครอบครัวเราทะเลาะ ก, กันก็ได้ร้องไห้ทั้งคืนก็ได้ขนาดนั้นก็ยังเกิดความโกรธอีกยังเก็บมันเอาไว้ในใจอีกทุกอีกอยู่ตลอดเวลาตลอดถึงบัดนี้ ตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าโยมทุกคนไม่เห็นทุกมันก็จะทุกเรื่อยไปถ้าเห็นทุกวันนี้เอามันทิ้งเสียเอามันทิ้งถ้าไม่ทิ้งมันมันจะทำให้เราทุกจนตลอดวันตายไม่หยุดวัฏฏะสงสารก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักทุกอย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้ทางนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่า ไม่มีอุบายอะไรที่จะดีไปกว่านี้อุบายที่จะไม่มีทุกข์ก็เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวอันนี้ไม่ใช่ของตัวเท่านี้อันนี้เลิศแล้วอันนี้ประเสริฐแล้วแต่เราไม่ค่อยได้รับฟังเมื่อทุกทุกทีก็ร้องไห้ทุกทียังไม่จําอีกนี่ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมไม่ดูนานๆท่านอาจารย์สอนให้ดูให้ภาวนาพุทโธให้เห็นชัด ระวังบางคนจะไม่รู้ว่าธรรมะนะนี่คือธรรมะนอกคำภีคนเราไปอ่านแต่คำภีแล้วไม่เห็นธรรมะวันนี้อธิบายธรรมะนอกคำภีแต่อยู่ในขอบเขตบางคนฟังแล้วจะไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจในธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจในธรรมะเราจะมีความทุกข์ตลอดไปสังขารมันเกิดขึ้นแล้ว ก็ดับไปเป็นธรรมดาเรื่องธรรมดาอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอีกสักเรื่องหนึง่งคนสองคนเช่นคนนี้กับคนนี้เดินไปด้วยกันเห็นเป็ดตัวหนึง่งไก่ตัวหนึง่งคนหนึ่งว่าแหมไก่ทำไมไม่เหมือนเป็ดเป็ดทำไมไม่เหมือนไก่ คิดอยากให้ไก่เป็นเป็ดคิดอยากให้เป็ดเป็นไก่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อมันเป็นไปไม่ได้โยมก็คิดว่าแหมอัศจริย์เหลือเกินทำไมไก่ไม่เป็นเป็ดอยากให้เป็ดเป็นไก่อยู่ตลอดเวลาในชั่วชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมันก็ต้องไม่เป็นให้เพราะเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่ถ้าคนนี้คิดอย่างนี้ไม่หยุดก็ต้องทุกข์ คนที่สองเห็นว่าเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่นั่นแหละแล้วก็เดินผ่านไปปัญหาไม่มีเห็นถูกแล้วที่เป็นเป็ดให้เป็นเป็ดไปเป็นไก่ก็ให้เป็นไก่ไปซสคนที่อยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ดอยู่นั่นแหละก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้ก็เหมือนกับอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอยากจะให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อไหร่ ก็เสียใจเมื่อนั้นถ้าใครเห็นว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้นคนนั้นก็สบายไม่มีปัญหาคนอยากให้มันเที่ยงก็มีปัญหาเป็นทุกข์เป็นร้อนบางทีนอนไม่หลับอย่างนี้ก็เป็นได้นี้เรียกว่าไม่รู้เรื่องของอนิจจังตามความจริงเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า เมื่ออยากรู้ธรรมะจะไปดูที่ไหนได้ดูอยู่ที่กายของเรานี่แหละดูอยู่ที่ใจของเรานี่แหละไปดูในตู้ไม่พบไม่เห็นจะรู้ธรรมะอย่างแท้จริงต้องดูในกายของเรานี่เรียกว่ารูปประทัมรู้เข้าไปอีกชนิดหนึ่งไม่มีรูปมีปรากฏอยู่คือ น, นามธรรมามีสองอย่างเท่านั้น รูปประทรมมองเห็นด้วยตาของเราที่นั่งอยู่นี่แต่นามธรรมามองไม่เห็นนามธรรมาไม่ใช่สิ่งที่จะมองดูด้วยตาเนื้อได้ต้องมองดูด้วยตาไหนคือตาใจมองดูในใจจึงจะเห็นนามธรรมาคนจะบรรลุธรรมะจะได้เห็นธรรมะต้องรู้จักว่าธรรมะ อยู่ตรงไหนเสียก่อนถ้าธรรมะอยู่ที่กายก็ต้องมาดูที่กายของเราดูตั้งแต่นี้ลงไปเอาอะไรตรวจดูตรงนี้เอานามมาทำคือตัววิญญาณธาตุดูกายนี้ไปดูที่อื่นไม่พบเพราะความสุขความทุกข์เกิดจากที่นี่หรือใครเห็นความสุขเกิดจากต้นไม้มีไหมเกิดจากแม่น้ำมีไหมเกิดจากดินฟ้าอากาศมีไหม ความสุขความทุกข์เป็นความรู้สึกทางกายทางใจของเรานี่เองฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านให้รู้จักธรรมะให้มาดูธรรมะที่กายของเรานี้คือธรรมะอยู่ที่นี่จงมาดูที่นี่อย่างท่านอาจารย์ท่านสอนนี้ท่านให้มาดูที่ตัวธรรมะแต่เราเข้าใจว่าตัวธรรมะอยู่ที่หนังสือจึงไม่เจอ ถ้าดูหนังสือก็ต้องน้อมเข้ามาในนี้อีกจึงจะรู้จักธรรมะอย่างนี้ให้เข้าใจว่าธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี้ให้เอาใจนี้พิจารณากายเป็นหลักการพิจารณาฉะนั้นจึงทำปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตของเราเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตของเราแล้ว จะมองไปที่ไหนจะมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังถ้าไปยึดว่ามันเที่ยงก็เป็นทุกข์เพราะอันนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นกลับเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอเห็นว่าเป็นของของตนอยู่ทุกเวลาคือเราไม่เห็นสมมติรู้จักสมมติกันเสียเถิเช่นเราทุกคนที่นั่งในที่นี้มีชื่อทุกคน ชื่อเหานี้เราตั้งเอาใหม่หรือมันเกิดพร้อมกันกับเราหรือมีชื่อติดตามมาตั้งแต่วันเกิดเข้าใจไหมนี่สมมุติสมมุติมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เช่นสมมุติว่าเชื่อนายกนายขอนายขอนายหงมันก็เป็นคนด้วยกันทั้งหมดต้องเอาชื่อคนมาใส่เพื่อให้สะดวกแก่การพูดสะดวกแก่การงานเท่านั้นแหละ เช่นเราต้องการใช้นาย ก, ก็เรียกนายกนาย ก, ก็มานายขอนายคอนายงอเฉยเสียไม่ต้องมาสมมุติมันสะดวกเท่านี้ถ้าไม่มีสมมุติเราจะเรียกคนมาใช้สักหนึ่งคนถ้าเรียกว่าคนคนคนทั้งหมดก็จะลุกขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้จะทำอย่างไรฉะนั้นสมมุติจึงมีประโยชน์คือสะดวกแก่การใช้เท่านั้นเมื่อตามดูเข้าไปแล้วที่จริงไม่มีใครทั้งนั้นมันเป็นวิมุต มีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านั้นแหละที่เป็นสกลร่างกายของเรานี้แต่เรามองไม่ค่อยจะเห็นเพราะมีอุปทานอัตตาวาทุปทานการถือมั่นวาฏวัตตนคือความยึดถือสำคัญมั่นหมายว่านั่นว่านี้เป็นตัวตนเช่นมองเห็นเบญจขันเป็นอัตตาอย่างหยาบขึ้นมาเช่นยึดถือมั่นหมายว่านี่เรานั่นของเรา จนเป็นเหตุแบ่งแยกเป็นพวกเราวพวกเขาแล้วเกิดความถือก้วมันไม่เห็นถ้าเราเห็นชัดจะเห็นว่าตัวของคนคนหนึ่งไม่มีอะไรมากส่วนที่มันเคลื่อนแข็งก็เป็นดินส่วนที่เหลวก็เป็นน้ำส่วนที่ร้อนก็เป็นไฟส่วนที่พัดไปมาก็เป็นลมมีดินน้ำลมไฟผสมกันเข้าไปเป็นก้อนก็เรียกว่ามนุษย์เมื่อมันแยกออกไปอีก ส่วนดินก็เป็นดินไปส่วนน้าก็เป็นน้าไปส่วนไฟก็เป็นไฟไปส่วนลมก็เป็นลมไปเป็นคนที่ไหนคนไม่มีเลยมันเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการที่เราเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของสมมุติ อันนั้นไม่ใช่ของของเราแต่เป็นของสมมุติถ้าเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายแจมแจ้งเป็นธรรมะแล้วก็จะสบายใจเรารู้ในปัจจุบันอย่างนี้ว่ามันไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราให้เห็นอยู่อย่างนี้ถ้าอันนี้วิบัติเมื่อไหร่ก็สบายใจเหมือนกันถ้าอันนั้นจะวิบัติไปแยกกันไปเมื่อไหร่ใจก็สบายเพราะไม่มีของใคร เป็นแต่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นแต่คนเราจะเห็นตามได้ยากแต่ถึงจะยากก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์หากเราเห็นเช่นนั้นได้ก็สบายใจใจจะไม่ค่อยโกรธไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจะมีธรรมะอยู่เสมอไม่ต้องอิจฉาพยาบาทกันเพราะต่างก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น เมื่อยอมรับว่าจริงอย่างนั้นก็เห็นจริงในธรรมะเมื่อเห็นจริงในธรรมะแล้วก็ไม่ต้องเปลืองครูบาอาจารย์ไม่ต้องสอนกันทุกวันหรอกเมื่อรู้แล้วก็จะทําตามหน้าที่เท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ที่เราสอนยากสอนลําบากคือมันไม่ยอมรับยังเถียงครูบาอาจารย์อยู่ยังเถียงพระธรรมวินัยอยู่ถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ทําดีเส้นหน่อยนึงเมื่อรับหลังครูบาอาจารย์ก็เป็นขโมยซะเป็นเรื่องที่สอนยากอย่างนี้ โยมเมืองไทยเป็นอย่างหนึง่งจึงต้องเปลืองครูบาอาจารย์มากระวังนะระวังไม่ดีไม่เห็นธรรมะนะต้องระวังให้ดีต้องนำไปพิจารณาให้เกิดปัญญาดอกไม้นี้สวยไหมดูสิเห็นสิ่งที่ไม่สวยในนี้หรือเปล่าเห็นสิ่งที่ไม่สวยในสิ่งที่สวยหรือเปล่า มันจะสวยไปกี่วันต่อไปมันจะเป็นอย่างไรทำไมมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอีกสามสี่วันก็ให้เอาไปทิ้งใช่ไหมเพราะหมดความสวยมันไม่สวยเสแล้วนี่คือคนติดความสวยติดความดีถ้ามีความดีก็ดีดีดีพระพุทธองค์ของเราท่านตรัสว่าสวยก็พึงว่าสวยเฉยๆอย่าไปติดมัน ถ้ามีความดีใจก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันเลยที่ว่าดีนี้ก็ไม่แน่ไม่แน่สักอย่างหนึง่งไม่มีอะไรจะแน่นอนในโลกนี้นี่คือความจริงของที่ไม่จริงคือสวยไม่จริงมันจริงแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงของมันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าเราเห็นว่ามันสวยๆอย่างนี้เมื่อหมดความสวยไปใจเราก็ไม่สวยถ้ามันหมดความดีแล้วใจเราก็ไม่ดีด้วยเราเอาใจไปฝากกับวัตถุต่างๆอย่างนี้ หากว่ามันเสียหายไปเราก็ทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้เป็นของเราพระพุทธเจ้าท่านให้รู้จักว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเท่านั้นสวยเกิดขึ้นมาอีกไม่กี่วันก็หายแล้วอย่างนี้ปัญญาก็เกิดแล้วฉะนั้นท่านจึงให้เห็นอนิจจ์เห็นว่ามันสวยก็ว่าไม่ใช่เห็นว่าไม่สวยก็ว่าไม่ใช่เห็นว่าดีก็ไม่ใช่ ให้เห็นว่าอย่างนี้ดูอยู่เสมออย่างนี้จะเห็นความจริงในสิ่งที่ไม่จริงจะเห็นความไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้น ที่ให้เกิดทุกข์สิ่งที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สี่อย่างนี้รู้จักทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็ทิ้งรู้จักเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดแล้วก็ทิ้งปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่แน่นอนทุกข์แล้วก็ดับมันดับแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเราปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่เพื่อเอาอย่างโยมที่ถามเมื่อกลางวันนี้ว่าเป็นทุกข์ อาตามาถามว่าโยมอยากเป็นอะไรตอบว่าอยากตรัสรู้ธรรมอยากตรัสรู้ธรรมมันไม่ได้ตรัสถหรอกอย่าให้มันอยากเลยอาตามาบอกไปจะรู้หรือไม่ก็ตามเถอะนะเมื่อรู้จักทุกขตามความจริงมันก็ทิ้งทุกรู้จักเหตุให้ทุกเกิดที่ไหนทุกจะเกิดก็ไม่ทํามันจะปฏิบัติมันก็ดับทุกที่ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เห็นเช่นนี้ทุกก็ดับเหมือนคนเดินทางไปเดินไปไปถึงแล้วก็หยุดอยู่มันดับนั่นใกล้ต่อพระนิพพานง่ายๆเดินไปก็เป็นทุกถอยกลับก็เป็นทุกหยุดอยู่ก็เป็นทุกเดินไปก็ไม่เดินถอยกลับก็ไม่ถอยหยุดอยู่ก็ไม่หยุดมีอะไรเหลือไหมดับรูปมันดับนามมันก็ดับนี่เรียกว่าดับทุกฟังยากสักหน่อยนะ ถ้าหากเราภาวนาพิจารณาเรื่อยๆมันจะพ้นขึ้นมาแล้วจะรู้จักมันจะดับของมันอย่างนั้นที่สุดคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นหมดละไม่เป็นไรละหมดพระพุทธเจ้าสอนจบตรงนี้ละหมดจบลงที่นี่ วันนี้อธิบายธรรมะให้ญาติโยมและถวายท่านอาจารย์ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแต่อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันผิดมันถูกฟังไว้ก่อนให้รู้จักผิดรู้จักถูกเหมือนกับเอาผลไม้ชนิดหนึ่งถวายท่านอาจารย์แล้วฝากญาติโยมทุกๆคนอัตมาบอกว่าผลไม้นี้มันหวานนะก็ขอให้ฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันหวานละ่ะเพราะเมื่อไม่รู้จักรสผลไม้ที่มันเปรีย้ยว เอามือจับมันก็ไม่รู้เปรี้ยวผลไม้นี้มันหวานถวายให้จับดูมันก็ไม่รู้หวานฉะนั้นที่เทศให้ฟังวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อถ้าอยากจะรู้จักรสเปรี้ยวหวานของผลไม้ก็ต้องเอามีดไปเฉือนแล้วเคี้ยวดูในปากนั่นแหละหากมันเปรี้ยก็จะรู้สึกเปรี้ยวหากมันหวานก็จะรู้สึกหวานทีนี้เชื่อได้แล้วเพราะเหตุใดจึงเชื่อเพราะว่าเป็นปัดจัดตังแลวมีพยาน ตัวเราจะเป็นพยานของตัวเราแน่นอนแล้วทีนี้ฉะนั้นผลไม้ที่อาตมาฝากให้หวันนี้อย่าเพิ่งเอาไปทิ้งเก็บไว้ทานให้รู้รสเปรี้ยวหวานซะก่อนจนเป็นสิขีผูโตตัวเราเป็นพยานของเราแล้วแน่นอน พระพุทธเจ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะอาชีวกไปถามว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าเราไม่มีครูไม่มีอาจารย์อาชีววกก็สะบัดหน้าไปเลยคือบอกความจริงเกินไปบอกความจริงกับคนไม่รู้จักความจริงไม่เชื่อไม่รู้จักฟังไม่รู้จักเอาฉะนั้นวันนี้อาตมาถึงบอกว่า อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งไม่เชื่อคนไปเชื่อคนอื่นเขาท่านวน่าคนโง่เพราะไม่มีพยานในตัวของเราดังนั้นให้ยึดพยานในตัวของเราอย่างนั้นเราพุทธเจ้าตรัสเลยว่าพระพุทธองค์ไม่มีครูไม่มีอาจารย์อย่างนี้เป็นความจริงแต่เราคิดให้ถูกนะถ้าคิดไม่ถูกแล้วไม่เคารพอาจารย์นะไม่มีครูไม่มีอาจารย์อย่าไปว่านะถ้าครูอาจารย์สอนถูกมาแล้วเรารู้จักปฏิบัติเห็นถูกเห็นผิด รู้ขึ้นมาตามครูบาอาจารย์วันนี้พวกเราทั้งหลายมีโชคดีอัตมามีโอกาสรู้จักญาติโยมทุกๆคนและได้พบกับท่านอาจารย์ไม่น่าจะมาเห็นกันนะเพราะอยู่ไกลกันมากวันนี้อาตมาเห็นว่าจะต้องมีเหตุปัจจัยอันหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นมาจะต้องมีเหตุอย่างนี้ อย่าลืมนะจะต้องมีเหตุอันหนึ่งบางทีสมัยก่อนอดีตชาติอาตมาได้มาเป็นพี่พน้องๆของญาติโยมแถวๆนี้ก็เป็นได้ถ้าพูดถึงเหตุมันเป็นอย่างนั้นคนอื่นไม่ได้มาแต่อาตมาได้มาทําไมหรือว่าจะมาสร้างเหตุเดี๋ยวนี้ก็ได้จึงฝากคาไว้ให้ญาติพี่น้องทั้งหลายคนแก่ก็เป็นพ่อเป็นแม่คนมีอายุเสมอๆกันก็เป็นเพื่อนคนอายุน้อยๆก็เป็นลูกหลาน ทุกๆคนขอฝากความอะไรไว้นะที่นี้ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ขยันขันแข็งมันในข้อประพฤติปฏิบัติไม่มีอะไรแล้วยิ่งกว่าธรรมะธรรมะนี้เป็นเครื่องที่ค้้จุนโลกเหลือเกิด ทุกวันนี้เราจะไม่สบายกระสับกระส่ายก็เพราะไม่มีธรรมะถ้าเรามีธรรมะก็จะสบายอัตมาก็ดีใจที่ได้ช่วยทนาจารย์และช่วยญาติโยมด้วยจึงขอฝากความอลาลัยไว้บางทีพรุ่งนี้คงได้จากไปไปที่ไหนก็ยังไม่ทราบอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดามาแล้วก็ต้องไปไปแล้วก็ต้องมามันเป็นเรื่องอย่างนี้ไม่ควรดีใจและไม่ควรเสียใจสุขแล้วทุกขทุกขแล้วก็สุขได้แล้วก็เสียไปเสียไปแล้วก็ได้มา เป็นเรื่องธรรมดาญาติโยมจงเข้าอยู่ในธรรมะจะไม่มีความเดือดร้อนทุกๆกคนที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นคนดีมีโชคโชคอย่างใหญ่หลวงคือโชคดีที่ได้รู้จักธรรมะนั่นแหละเป็นโชคดีที่สุดแล้ว ในวาราสุดท้ายญาติโยมทุกคนมีความสงสัยอะไรในใจให้ถามปัญหาได้มีไหมละ่ะสมัยก่อนครั้งพุทธกาลเรื่องสาวกไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็มีเพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ขยันไม่ให้ประมาทสาวกที่ขี้เกียจกลัวและเกลียดเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้านิพพานสาวกกลุ่มหนึ่งร้องไห้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานิพพานแล้วจะไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเราสาวกกลุ่มนี้ก็โง่ สาวกอีกกลุ่มหนึ่งยกมือสาธุพระพุทธเจ้าตายแล้วเราสบายไม่มีใครบังคับเรากลุ่มที่สามเมื่อพระพุทธองค์นิพพานแล้วก็สบายใจปล่อยสลดสังเวชในสังขารนี่มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามเราเจ้ากลุ่มไหนล่ะเจ้เอากลุ่มสาธุหรือเจ้ากลุ่มไหนกลุ่มหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์นิพพานแล้วก็ร้องไห้นี่คือคนที่ไม่ถึงธรรมะกลุ่มที่สองนั้นเกลียดไปทําอันนี้ก็ไม่ได้ ทำอันนั้นก็ไม่ได้ผิดทั้งนั้นกลัวท่านจะดุเอากลัวท่านจะว่าเอาเมื่อท่านนิพพานแล้วสบายใจทุกวันนี้เช่นกันบางทีท่านอาจารย์อาจจะมีลูกศิษย์เกลียดเหมือนกันแหละนะเกลียดอยู่ในใจอดไว้คนมีกิเลสก็ต้องเป็นทุกคนแม้แต่พระพุทธองค์ยังมีสาวกรังเกียดอาตามามีลูกศิษย์รังเกียดเหมือนกันไปบอกให้เขาทิ้งความชั่วเขาเสียดายความชั่วเ ข, เขาเกลียดเอา อย่างนี้ก็มีเยอะฉะนั้นปัญญาชนทั้งหลายให้พากันตั้งอยู่ในธรรมะให้แน่นหนาเอาละวันนี้อยากจะถามถึงการปฏิบัติของญาติโยมเราทั้งหลายว่า ที่ได้ทมามันนี้แน่ใจแล้วหรือยังแน่ใจในการทำกรรมฐานของตนแล้วหรือยังที่ถามอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์ที่สอนกรรมฐานทุกวันนี้มีมากมีทั้งพระสงฆ์ทั้งคารวะจึงกลัวว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยการกระทำนี้จึงได้ถามอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องชัดเจนเราก็จะสามารถทำจิตของเราให้สงบได้มั่นคงได้ แล้วให้เข้าใจด้วยว่ามรรคแปประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นมานั่นเองไม่ใช่อื่นไกลวิธีการนั่งท่านให้นั่งหลับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราหลับตาเข้าไปแล้ว มันจะกลับเข้ามาข้างในเมื่อเรานั่งหลับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจเอาลมหายใจเป็นประธานน้อมความรู้สึกตามลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะรวมอยู่ตรงนี้ความรู้จะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกจะมารวมอยู่ตรงนี้ เมื่อมรักนี้มันสามัคคีกันเมื่อใดเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราจึงจะรู้จักที่รวมแห่งสมาธิที่รวมแห่งมรักสามัคคีในที่เดียวกันเมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตลงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียว รอบรอบข้างเรานี้ไม่มีใครไม่มีอะไรทางนั้นแหละทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันจะวางข้างนอกหมดดูลมเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้นมันจะวางข้างนอกจะมีใครหรือไม่หรือว่าคนนี้นั่งตรงโน้นคนโน้นนั่งตรงนี้อะไรวุ่นวายมันจะไม่เข้ามาเราเหวี่ยงมันออกไปเช่ว่าไม่มีใครอยู่ที่นี้มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ จนกว่าจะทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าจะไม่มีความสงสัยในรอบรอบข้างของเรานี้เราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าไปบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้มันอ่อนปล่อยสภาพให้มันพอดี แล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออกเมื่อมันปล่อยอารมณ์เสียงรถยนต์ก็ไม่ราคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่รับเอามันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเรานี้ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสูดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าจะไม่มีที่เก็บ แล้วก็ปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่าลมจะหมดในท้องเราสัก3ามครั้งแล้วตั้งความรู้ใหม่แล้วสูดลมต่อไปอีกแล้วตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งมันก็สงบไปเป็นธรรมดาของพักสงบไปอีกสักพักหนึ่งมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้มันก็มีวุ่นวายขึ้นมาอีกเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราก็กำหนดจิตของเราให้ตั้งมัน่น สูดลมหายใจเข้ามาหายใจเอาลมในท้องของเราออกให้หมดแล้วก็สูดลมเอาเข้ามาเข้ามาให้มากพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั้นต่อไปอีกทาอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ความชนานาญมันจะวางข้างนอก มันก็จะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็ส่งเข้ามาไม่ถึงสติตั้งมัน่นดูลมเข้าออกต่อไปอีกถ้าจิตสงบลมนี้มันจะน้อยเข้าน้อยเข้าทุกทีมันจะน้อยเข้าไปอารมณ์มันจะละเอียดร่างกายของเราก็จะเบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปตอนนั้นไปเราก็รู้ข้างนอก มันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วความรู้สึกอยู่ในที่ที่มันรวมกันอยู่ในลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดแล้วมันจะมีสติชัดเห็นอารมณ์ชัดขึ้นทุกอย่างจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี้เรียกว่ามัคสามมาคีเมื่อความสัมมาคีเกิดขึ้นมาแล้ว มันก็ไม่มีอาการวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตของเรามันจะรวมลงเป็นหนึ่งนี้เรียกว่าสมาธินานไปสูรลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าลมจะละเอียดเข้าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้มันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งมาลมหายใจที่มันจะหายไปคือมันละเอียดอย่างยิ่ง จนบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่หากรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวนี้มันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือแต่ความรู้อันเดียวถึงลมมันจะหายไปแล้วความรู้สึกที่ว่าลมหายไปก็ตั้งอยู่ทีนี้จะเอาอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปเล่าก็เอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีก ความรู้ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละเป็นความรู้อันหนึง่งในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้แต่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีจงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนเห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วก็ตกใจ เพราธรรมดาลมมันมีอยู่เมื่อเราคิดว่าลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้ตรงนี้ให้เรารู้ทันมันว่าอันนี้มันเป็นของมันอย่างนี้แล้วเราจะดูอะไรก็ดูลมไม่มีต่อไปเป็นความรู้นี่จัดว่าเป็นสมาธิอันแน่วแน่ที่สุดของสมาธิมีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่วันไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้จะมีความรู้สึกสารพัดอย่างที่มันรู้อยู่ในจิตของเรา เช่นบางทีร่างกายมันก็เบาที่สุดจนบางทีก็เหมือนกับไม่มีร่างกายใคล้ายๆนั่งอยู่ในอากาศรู้สึกเบาไปทั้งหมด <iend> ถึงแม้มที่เรานั่งอยู่ก็ดูเปล่าว่างอันนี้มันเป็นของแปลกก็ให้เข้าใจว่าไม่เป็นอะไรทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มัน่นคงเมื่อจิตตัง้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะไม่มีอารมณ์ใดมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าใดก็ได้ ไม่มีความรู้สึกถึงเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้เมื่อการทำสมาธิมาถึงตอนนี้เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธิก็ออกอย่างสบายหรือจะไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยหรือจะออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรสบาย ถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้เข้าสมาธิสัก3ามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันเมื่อจิตมีความเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตจะสะอาดเห็นอะไรแล้วจะรับพิจารณาทั้งนั้นอันนี้เป็นเบื้องแรกของมันนี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี้มีหน้าที่ทําให้สงบ สมาธิก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งศีลก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งอาการที่เรากำหนดในที่นั้นมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏอยู่ในใจเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิอยู่ตรงนี้มีปัญญาอยู่ตรงนี้เมื่อจิตเราสงบแล้วมันจะมีการสังวรสัารวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกาลังสมาธิ เมื่อสำรวมเข้าละเอียดเข้ามันจะเป็นกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมากเมื่อบริสุทธิ์ขึ้นมามากก็จะช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมามากให้ดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเต็มที่แล้วมันจะช่วยปัญญาจะช่วยกันดังนี้เป็นวัยพ์ซึ่งกันและกันต่อไปโดยรอบอย่างนี้จนกว่ามมักคืคอศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นก้อนเดียวกัน แล้วทำงานสม่ำเสมอกันเราจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อันเป็นกำลังที่จะทำให้เกิดวิปัสสนาคือปัญญาสิ่งที่ควรระวังการทำสมาธินี้อาจให้โทษแก่ผู้ปฏิบัติได้ถ้าผู้ปฏิบัติ ไม่ใช้ปัญญาและก็ย่อมให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติได้มากถ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีปัญญาสมาธิก็จะส่งจิตไปสู่วิปัสสนาสิ่งที่จะเป็นโทษแก่ผู้ปฏิบัตินั้นก็คือการที่ผู้ปฏิบัติหลงติดอยู่ในอัปปนาสมาธิซึ่งเป็นความสงบลึกและมีกำลังอยู่นานที่สุดเมื่อจิตสงบก็เป็นสุขเมื่อเป็นสุขแล้วก็เกิดอุปทาน ยึดสุขนั้นเป็นอารมณ์ไม่อยากจะพิจารณาอย่างอื่นอยากมีสุขอยู่อย่างนั้นเมื่อเรานั่งสมาธินานๆจิตมันจะถลำเข้าไปง่ายพอเริ่มกำหนดมันก็สงบแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากออกไปไหนไม่อยากพิจารณาอะไรอาศัยความสุขนั้นเป็นอยู่อันนี้จึงเป็นอันตรายแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งจิตต้องอาศัยอุปจารสมาธิ คือกำหนดเข้าไปสู่ความสงบพอสมควรแล้วก็ถอนออกมารู้อาการภายนอกดูอาการภายนอกให้เกิดปัญญาอันนี้ดูยากสักหน่อยหนึ่งเพราะมันคล้ายๆจะเป็นสังขารความปรุงแต่งเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมาเราอาจจะเห็นว่าอันนี้มันไม่สงบความเป็นจริงความรู้สึกนึกคิดในเวลานั้นมันรู้สึกอยู่ในความสงบพิจารณาอยู่ในความสงบแล้วก็ไม่ราคาญ บางทีก็ยกสังขารขึ้นมาพิจารณาที่ยกขึ้นมาพิจารณานั้นไม่ใช่คิดเอาหรือเดาเอามันเป็นเรื่องของจิต ท, ที่เป็นขึ้นมาเองของมันอันนี้เรียกว่าความรู้อยู่ในความสงบความสงบอยู่ในความรู้ถ้าเป็นสังขารความปรุงแต่งจิตมันก็ไม่สงบมันก็รำคาญแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่งมันเป็นความรู้สึกของจิต ท, ที่เกิดขึ้นจากความสงบเรียกว่าการพิจารณานี่ ปัญญาเกิดตรงนี้สมาธิทั้งหลายเหล่านี้แบ่งเป็นมิจฉาสมาธิอย่างหนึ่งคือเป็นสมาธิในทางที่ผิดเป็นสัมมาสมาธิอย่างหนึ่งคือสมาธิในทางที่ถูกต้องนี่ก็ให้สังเกตให้ดีมิจฉาสมาธิคือความที่จิตเข้าสู่สมาธิเงียบหมดไม่รู้อะไรเลย ปราศจากความรู้นั่งอยู่สองชั่วโมงก็ได้กระทั่งวันหนึ่งก็ได้แต่จิตไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนมันเป็นอย่างไรไม่รู้เรือ่องนี่สมาธิอันนี้เป็นมิจฉาสมาธิมันก็เหมือนมีดที่ลับให้คมดีแล้วแต่เก็บไว้เฉยเฉยไม่เอาไปใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนั้นความสงบอันนั้นเป็นความสงบที่หลงคือว่าไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว เห็นว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ค้นคว้าอะไรอีกต่อไปจึงเป็นอันตรายเป็นค่าศึกในขั้นนั้นอันนี้เป็นอันตรายห้ามปัญญาไม่ให้เกิดปัญญาเกิดไม่ได้เพราะขาดความรู้สึกรับผิดชอบส่วนสัมมาสมาธิที่ถูกต้องถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหนก็มีความรู้อยู่ตลอดการตลอดเวลา มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ตลอดกาลนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ให้หลงไปในทางอื่นได้นี่ก็ให้นักปฏิบัติเข้าใจไว้ให้ดีจะทิ้งความรู้นั้นไม่ได้จะต้องรู้แต่ต้นจนปลายทีเดียวจึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องขอให้สังเกตให้มากสมาธิชนิดนี้ไม่เป็นอันตราย เมื่อเราจเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้วอาจจะสงสัยว่ามันจะได้ผลที่ตรงไหนมันจะเกิดปัญญาที่ตรงไหนเพราะท่านตรัสว่าสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาวิปัสจะมีกําลังให้เกิดปัญญาทุกขณะในเมื่อตาเห็นรูปก็ดีหูฟังเสียงก็ดีจะหมูกดมกลิ่นก็ดีลิ้นลิ้มรสก็ดีกายถูกต้องโผฏฐพะก็ดีท่านมารมเกิดกับจิตก็ดีอิริยาบทยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดี จิตก็จะไม่เป็นไปตามอารมณ์แต่จะเป็นไปด้วยความรู้ตามความเป็นจริงของธรรมะฉะนั้นการปฏิบัตินี้เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เลือกสถานที่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามจิตมันเกิดปัญญาแล้วเมื่อมีสุขเกิดขึ้นมาก็รู้เท่าเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้เท่า สุขก็สักวสุขทุกข์ก็สักวทุกข์เท่านั้นแล้วก็ปล่อยทั้งสุขและทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อสมาธิถูกต้องแล้วมันทําจิตให้เกิดปัญญาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนามันก็เกิดความรู้เห็นตามเป็นจริงนี่เรียกว่าสัมมาปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องมีอริยาบทสม่ําเสมอกันคําว่าอริยาบทสม่ําเสมอกันนี้ ท่านไม่หมายเอาอิริยาบถภายนอกที่ว่ายืนเดินนั่งนอนแต่ท่านหมายเอาทางจิตที่มีสติสัมปชัญญะอยู่นั่นเองแล้วก็รู้เห็นตามเป็นจริงทุกขณะคือมันไม่หลงความสงบนี้มีสองประการคือความสงบอย่างหยาบอย่างหนึง่งและความสงบอย่างละเอียดอีกอย่างหนึง่งอย่างหยาบนั่นคือเกิดจากสมาธิที่เมื่อสงบแล้วก็มีความสุข แล้วถือเอาความสุขเป็นความสงบอีกอย่างหนึ่งคือความสงบที่เกิดจากปัญญานี่ไม่ได้ถือเอาความสุขเป็นความสงบแต่ถือเอาจิตที่รู้จักพิจารณาสุขทุกข์เป็นความสงบเพราะว่าความสุขความทุกนี้เป็นภพเป็นชาติเป็นอุปทานจะไม่พ้นจากวัฏฏะสงสารเพราะติดสุขติดทุกข์ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบความสงบจึงไม่ใช่ความสุข ฉะนั้นความสงบที่เกิดจากปัญญานั้นจึงไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงของความสุขความทุกข์แล้วไม่มีอุปทานมั่นหมายในสุขทุกข์กที่มันเกิดขึ้นมาทาจิตให้เหนือสุขเหนือทุกนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง